ยืนยก่อน15นาทีเมื่อมีเสียงะระฆังดังหนึ่งครั้งให้เปลี่ยนอั夷บทเป็นท่านั่งท่านอนแต่ละอัยบท15นาทีโดยจะมีเสียงะระฆังตวนเมื่อเสียงระฆังเตือนสามครั้ ง, ค, งคือหมดเวลาในขณะที่ยืนอยู่ถ้าความสมุบเกิดขึ้นไม่ได้ก็ให้นําความรู้สึกทั้งหมดมาอยู่ที่ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกจนสงบแล้วก็ปล่อยวางสักแต่ว่าเฝ้ามองมือสองข้างให้วางลงข้างตัวนะเราพยายามวางทั้งหมดนะความเคยชินเราพยายามจะเกาะมันเป็นสัญชาตญาณเรานะเราวางฝืนกิเลสเราหน่อยหนึ่งกิเลสเรามันอยู่เฉยเฉยไม่ได้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 ถ้ายืนไปด้วยคิดไปด้วยพิจารณาไปด้วยอันนั้นเรียกว่าละเลยหน้าที่คอร์รัปชันหน้าที่นะมันเป็นเรื่องของกิเลสยืนอย่างเดียวความคิดมันยังเกิดขึ้นอย่าไปยุ่งกับมันนะปล่อยมันคิดไปเลยอย่าไปคิดตามมันไม่ใช่หน้าที่เราเราคือจิตตัวรู้มีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นคือยืน หยุดคิดหยุดพูดหยุดการกระทาต่างๆคำว่าหยุดคิดเนี่ยไม่ใช่ห้ามมันไม่ให้คิดนะอย่าไปยุ่งกับมันมันคิดตามกิเลสก็รู้เฉยๆว่ามันคิดอย่าไปสนใจในเนื้อหาสาระที่มันคิดไม่ต้องให้ในัยยะไม่ต้องให้ความสำคัญเพราะไม่ใช่หน้าที่เรานะวิปัสสนาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ายังมีการกระทาอยูนะ่อันนี้เราพักลบ เราเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่นะเราลบสึกกับความคิดเราตลอดเวลาเวลานี้เราทำทานให้กับตัวเองนะคือให้โอกาสตัวเองได้พักลบพักสร้างกรรมหยุดคิดหยุดพูดหยุดการกระทำซึ่งเนื่องด้วยเจตนาการยืนนี่เป็นอริยบทเป็นกิริยาไม่เนื่องด้วยเจตนาไม่ใช่กรรม แน่นอนมันต้องฝืนกิเลสเรากิเลสย่อมไม่ชอบเขาก็ทำหน้าที่เขาอย่างซื่อสัตย์เขาจะใช้ความคิดมาสร้างอารมณ์ต่างๆมาครอบงาสติเขากลัวมากว่าเราเราจะยืนปกติมียืนเดินนั่งนอนนะแต่สถานที่เราไม่พร้อมเราก็เอาเรียบทดแค่สามยืนนั่งนอนเฉยๆคำว่าเฉยๆคืออย่างเดียว ถ้ายืนด้วยคิดด้วยนึกด้วยมันไม่เฉยนะอันนั้นมันหลายอย่างสมาธิต้องตั้งมั่นต้องเป็นหนึ่งเดียวถ้าเป็นสองเป็นสามแล้วเนี่ยสมาธิหลุดเหมือนน้ำมันนิ่งอะเห็นไหมถ้ามั น, นิ่งปุ๊บเนี่ยอารมณ์นิดเดียวมันเกิดขึ้นเราก็เห็นมันละนั่นแหละคือวิปัสนาไม่ใช่ไปเพ่งไปพิจารณาอันนั้นเป็นวิปัสสนึก นะวิปัสสนาก็คือว่าไม่ต้องมีการกระทําเกิดขึ้นแล้วเราเห็นอารมณ์เราจริงๆเราเห็นความคิดเห็นอารมณ์เบื่อเซ็งนะอารมณ์ลังเลสงสัยนั่นแหละคือเราเห็นเวทนาในเวทนาเราเห็นธรรมในธรรมไม่ต้องมีการกระทําใดเกิดขึ้นหน้าที่เราคือยืนก็ยืนยืนนี่ไม่ใช่กรรมไม่มีเจตนา ไม่ใช่ยืนเพื่อได้อะไรไม่ใช่ยืนเพื่อให้มันสงบนะไม่ใช่ฝึกสมมาถากรรมถฐานไม่ใช่ฝึกสมาธิสติไม่ได้ฝึกอะไรเลยเรายืนเฉยเฉยมันไม่สงบเราก็เห็นมันความไม่สงบเกิดขึ้นก็ได้ประโยชน์มันสงบเราก็เห็นมันเห็นไม้มมันเบื่อเราก็เห็นมันไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่ได้ประโยชน์ทุกอย่างเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของจิตเรา ง่ายที่สุดแต่กลายเป็นเรื่องยากที่สุดเพราะกิเลสเราความเคยชินเรามันไม่ชอบยืนทําไมทรมานทรมานไรสาระไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยยืนเฉยเฉยจะเกิดปัญญาได้อย่างไรมันจะแย้งนะปัญญาเกิดจากการรู้แย้งของจิตไม่ได้เกิดจากการนึกคิดนะเมื่อเราเห็นความจริงแล้วว่าเราเป็นอย่างไร เราเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่หรือไม่เรามีอารมณ์ไรซ่อนอยู่นั่นแหละเป็นปัญญาอย่างยิ่งปัญญาไม่ได้ไปว่ารู้มากคือรู้แจ้งเห็นจริงว่าเราเป็นอย่างไรนะรู้เรื่อยเรืู้เรื่อยเรื่อู้เรื่อย ๆ, อยๆแล้วตอนนี้ไอ้กิเลสเราเนั่นต่อไปมันก็หลอกเราไม่ได้ ไม่ต้องไปนั่งทรมานสังขารไปสร้างเวทนาแล้วไปดูมันนะอันนั้นไม่ใช่ของจริงอันนั้นเป็นเกิดจากกรรมที่เราไปทรมานตัวเองไม่ใช่ความเพียรชอบความเพียรชอบคือต้องพอดีนะกายเวทนาจิตทำไปด้วยกันไม่ใช่ไปทรมานสังขารแค่ยืนเฉยเฉยก็เกิดเวทนาแล้วไงอารมณ์ดีก็เวทนานะอารมณ์เบื่อก็เวทนาไงนะไม่ต้องไปสร้างมันขึ้นมา เรามีหน้าที่พวกครูไม่อยากใช้คำว่าดูมันนะถ้าคำว่าดูปุ๊บภาษานี่จะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีการกระทําโดยการไปเพ่งดูไม่ต้องดูใช้คำว่ารู้เฉยๆความคิดเกิดขึ้นเราก็รู้ความเบื่อเกิดขึ้นเราก็รู้ทุกอย่างมีประโยชน์หมดเหมือนเราฝึกยิงเป้าบินนะ นะไม่มีเป้าเราจะยิงอะไรหรอเห็นหมไม่ใช่เห็นเพื่อไปคิดเอ้เป้านี้สีอะไรใครยิงมามันตกก่อนนะถ้าพิจารณาไม่ทันเพราะรูปนามมันเกิดดับเร็วมากสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินรู้เฉยๆอันนี้ต้องเตือนตัวเองบ่อยๆนะถ้าไม่เตือนตัวเองบ่อยๆเนี่ยกิเลสเราเนี่ยมันเก่งมาก นั่งอยู่เมื่อกี้เราจะทำบอกว่าเห็นอู้มีกระดาษปิ้วๆิวิวไปคว้ามันเห็นไหมเราไม่เห็นเฉยเฉยหละเรามีการกระทำโดยการจะไปคว้ามันนั่นแหละคือกิเลสเราล่ะรู้เฉยเฉยเห็นเฉยเฉยะสักแต่ว่าจบจบอยู่แค่นั้นเรายืนเฉยเฉยเราก็คิด นั่นแหะเราก็เห็นเนาะเราคิดไงไม่ต้องไปสนใจในเนื้อหาสาระที่มันคิดไม่ให้นัยยะไม่ให้ความสําคัญถ้าเราไม่สนใจมันความคิดมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ชัว่วคราวมันก็สลายมันก็เป็นอนิจจงมันไม่เที่ยงความคิดไม่ใช่เรานะความคิดไม่ใช่ความจริงความคิดคือสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมา นะไม่ใช่เกิดมามันก็คิดนะไม่เราไปฝึกวิเป็นิเป็นนักคิดมันก็เป็นกิเลสเราแล้วมันเป็นกิเลสถ้ามันคิดเราคิดตามมันก็คือเราสนองกิเลสเราเอาอาหารให้กิเลสมันมันโตขึ้นใหญ่ขึ้นนะถ้าเอาไม่อยู่นะวันไหนมันมันครอบงำชีวิตเราเราเป็นทาสของความคิดคิดดีก็รู้สึกสุขคิดไม่ดีก็รู้สึกทุกข์ ไม่ต้องไปคิดว่าจะฆ่ากิเลสไม่ต้องเป็นลังเกียดกิเลสไม่ต้องไปหาวิธีกำจัดมันวิธีชนะกิเลสเนี่ยไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์ไปฆ่ามันอะไรฆ่ามันก็ไม่ตายเพราะว่าอาวุธนิวเคลียร์ก็สร้างจากกิเลสมนุษย์นั่นแหวิธีชนะกิเลสได้คือมีสติใช้ปัญญารู้เท่าทัานเขานอบน้อมถ่อมตนเรียนรู้กับเขาอย่าบังอาจจะไปฆ่าเขา อคิดจะฆ่าเขาเนี่ยก็กิเลสแล้วไงมันถึงคิดให้เราจะไปฆ่ามันจะไปฆ่าสัตว์ฆ่ากิเลสเนี่ก็เป็นบาปนะอย่าใช้ความคิดไปแก้ที่ความคิดเราแก้ไม่ได้รู้เฉยๆการปฏิบัติธรรมคือการกระทาทำให้เราเข้าสู่ความทําเป็นธรรมชาติเดิมของมัน ธร ร, ธรรมชาติเดิมของเขาไม่มีกิเลสแน่นอนเราก็ต้องฝืนกิเลสที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราจึงจะเข้าถึงธรรมชาติเดิมของเราได้ก็มีทางเดียวมีสติมีปัญญารู้เท่าทันกิเลส ต้องใช้สมาธิตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราทำคือยืนเมื่อสมาธิตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกำลังสมาธิเต็มเปี่ยมสติเขาก็ตื่นรู้ระวังเฝ้ามองตามธรรมชาติของเขากิเลสก็ทำหน้าที่ส่วนกิเลสเขาก็ซื่อสัตย์ในหน้าที่เขานะกิเลสเป็นกลางๆงจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่ที่มันเลวร้ายเพราะเราไปหลงมัน นะเราหลงมันแล้วก็ถูกมันหลอกแล้วก็ถูกลงโทษเรากินข้าวเนี่ยเป็นกิเลสของคนไทยฝรั่งกินขนมปังก็เป็นกิเลสของเขาถ้ากินตามกิเลสไม่เนื่องด้วยตัณหาก็ไม่มีเรื่องแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าที่มาของตัณหาก็มาจากกิเลสนะ กิเลสทำให้เกิดตัณหาตัณหาทําให้เกิดอุปท า, านอุปท า, านทําให้เกิดทุกข์วิธีดับตัณหาพระพุทธองค์บอกดับทุกข์ดับที่ตัณหานะทุกสมุทัยนิโรธมรรคอะไรคือตัวทุกข์อะไรคือตัวเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวตัณหานะไม่ใช่กิเลสนะแต่ที่มาของตัณหาก็คือกิเลสนะไม่ใช่ดับกิเลสนะ ดับที่ตัณหาแต่ว่าเราต้องรู้กว่าที่มาของตัณหาคือกิเลสเราก็มีหน้าที่รู้เท่าทันกิเลสกิเลสพัฒนาสู่ตัณหาไม่ได้อุปทานก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดนั่นแหละเรามายืนอยู่เฉยเดี๋ยวเราจะเห็นกิเลสเราเห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นรู้ก็สักแต่ว่ารู้ ถ้าเราเผลอไปคิดหรือสนใจมันปุ๊บเนี่ยเข้าล็อกกิเลสละเอาอาหารให้กิเลสกินอีกแล้วไปสนองตัวอยากรู้อยากเห็นใช่หไหมเพิ่มกำลังให้ตัณหามันเมื่อยเราก็รู้ จบแค่นั้นความเมื่อยก็ไม่ใช่ของจริงถ้านั่งสงบนิ่งตั้งมั่นเฝ้ามองถ้าความสนุบไม่เกิดขึ้นก็ให้ความรู้สึกทั้งหมดมาอยู่ที่ลมหายใจก็ได้อยู่ที่อิริยบทที่ท้องก็ได้พองยุบเมื่อสนุบดีแล้วก็ปล่อยวางอิริยบทนั้น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 รู้เฉยเฉยกิเลสไม่ชอบนะความเคยชินเราไม่ชอบนั่งอยู่เฉยเฉยเขากลัวมากว่าเราจะเห็นเขาเขาจะเอาทีเผอ่นะเขาจะเอา ใช้เครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ของเขาคือความคิดมาสร้างอารมณ์ต่างๆเนี่ยมาครอบงมสติเขารู้ดีมากว่าเราชอบอะไรเรากลัวอะไรนะแต่ก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเกรงไม่มีการกระทาโดยการเราแวดระวังไม่สำรวมระวังตามธรรมชาตินะมันง่วงเราก็รู้ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันเนี่ยเราจะดิ่งเข้าไปง่วงตามมันเข้าไปอยู่ในพวา เราหลับแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายได้พักผ่อนแต่เราได้เสียโอกาสเราจะเสียโอกาสในการเห็นความจริงทั้งว่งเราก็หลับไปเลยนะพักผ่อนเลยไม่ต้องมานั่งทรมานนะนั่งดูเฉยๆว่าเราเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่หรือไม่ภาษาไทยเนี่ยเราใช้คำว่าขี้เนี่ย ขี้เนี่ยมันถึงสิ่งปฏิกูลส่วนเกินเป็นสิ่งที่ขยะขยงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะถามใครๆก็ไม่ชอบโดยเฉพาะว่ามันมันไม่ดีอ่ะมันกลิ่นมันเหม็นแล้วเราดูซิว่าในตัวเรามีขี้อะไรบ้างมีขี้โลภไหมมีขี้โกรธไหมมีขี้หลงไหมมีขี้อิจฉาไหมขี้ลิษยาขี้เกียดขี้ค้านขี้กังวลขี้ห่วงใยนะ ขี้สงสัยขี้กลัวไหมนะถ้ามันมีทําไมสิ่งมันขี้ไม่ดีทําไมเรามีเยอะจังเลยเห็นไหมถ้าเรามีขี้เหล่านี้เราจะเป็นคนดีได้ไหมเราจะมีความสุขได้จริงเหรอนะเหมือนเราเป็นคุณหมอเนี่ยเราต้องวินิจฉัยโรคออกก่อนว่าเราเป็นโรคที่มันเกิดขึ้นเกิดจากไวรัสอะไรเห็นไหม เราต้องรู้ที่มาที่ไปของมันไม่งั้นเราให้ยาไม่ถูกเรารักษาไม่ได้ชีวิตเราก็เช่นเดียวกันเราต้องมายืนมานั่งมานอนเฉยๆแล้วเราจะเห็นว่าในตัวเราเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่ดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าไอ้ขี้เหล่านี้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันมาจากไหนใครยัดเยียดให้เรา หรือเราสร้างมันขึ้นมาเอง ชีวิตเราเคยเรียนรู้วิชาการต่างๆคือต้องต้องต้องต้องต้องมีการกระทําเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นกิเลสเราสอนให้ฝ่ายเรียนรู้ต้องเพิ่มเติมความรู้อยู่เรื่อยก็กลายเป็นกิเลสเราจริงจริแล้วมันก็เป็นวิถีที่เราดํารงอยู่ไม่ใช่เรื่องเลวไลน์ไม่ใช่เรื่องดีแต่ถ้าเราหลงมันเมื่ อ, อไหร่เนี่ยมันคือต้นเหตุของความทุกข์ให้เราเครียดเราจะเกิดความกลัวความกลัวทําให้เราเสื่อม แต่ในทางสายธรรมชาติเนี่ยมันกลับกันนะไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยแค่ทาดีละชั่วขัดเกาจิตให้ผ่องใสก็คือลดละเลิกเห็นปัญญาที่เราหมายถึงเนี่ยไม่ต้องสร้างมันขึ้นมาไม่ต้องเพิ่มเติมปัญญามันมีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมตามธรรมชาติของจิตเพียงแต่ว่าเราลดละเลิก ความเคยชินหรือกิเลสเราที่มันเป็นม่านบังตาเท่านั้นเองเท่านั้นเองแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่ของเราเพราะกิเลสเรามันไม่ยอมมันไม่ชอบถ้าคนหนึ่งเนี่ยชนะกิเลสตัวเองไม่ได้สู้อารมณ์ตัวเองไม่ได้ เราจะชนะใครไม่ได้เลยชนะอะไรก็ไม่ได้เลยถ้าเราเรียนรู้กับกิเลสเราเราแตกฉานกับกิเลสเราเราจะเห็นกิเลสคนอื่นคนโบราณเขาพูดว่า ลบศึกนะต้องรู้เขารู้เราทุกวันนี้เรามีแต่ไปดูของเขาไปแอบดูของเขาเขามีอะไรบ้างแต่เราไม่เคยประเมินตัวเองเลยว่าเราเป็นอย่างไรนะบางทีทําอะไรเกินตัวไงอันนี้พลาดพังมีเยอะก่อนที่จะรู้เขาต้องรู้เราก่อนรู้เราให้ชัดเจนก่อนว่าเรามีศักยภาพเท่าไหร่ กำลังเรามีแค่ไหนนะเมื่อเราแตกฉานแล้วมันจะเกิดปัญญาแค่เราเหลียวมองเขานิดหนึ่งมองสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็รู้เลยว่ากําลังของคนอื่นเขาแค่ไหน ทีนี้การรู้ตัวเองเนี่ยถ้ายังติดบ่วงกิเลสเราอยู่เราก็เอานิสัยเก่าที่เราเคยรู้ว่ามันต้องเรียนรู้สิมันต้องคิดสิต้องพิจารณาสินะถ้าเราเผลอปุ๊บเราไปทําตามกิเลสเราเนี่ยเราก็ไม่เห็นตัวเองเลยเราถูกกิเลสหลอกนะการที่จะรู้ตัวเองเนี่ยก็ต้องหยุดการกระทําทุกอย่างการอยากรู้อยากเห็นทั้งหมด มานั่งอยู่เฉยๆนะ่ะเดี๋ยวเราจะรู้ตัวเองเราจะเห็นตัวเองแล้วเราจะค่อยๆเข้าใจตัวเองเมื่อเราเข้าใจตัวเองอย่างแตกฉานแล้วว่าเออชีวิตเราประกอบด้วยอะไรเรามีกิเลสแบบไหนเมื่อเราเข้าใจตัวเองแล้วเราก็จะเข้าใจคนอื่นเขาก็ไม่ต่างอะไรกับเรา สัตว์โลกเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ละเวน้นเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจคนอื่นเราก็จะเมตตาคนอื่น เรานั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวกิเลสบอกกงเมื่อยเมื่อยไม่ได้ออกกาลังกายที่ไหนนะไม่ต้องใช้พลังงานแะ้วมันบอกเมื่อยเมื่อยนะถ้าคิดแบบตักกะมันจะเมื่อยได้ยังไงไม่ได้ใช้พลังงานแต่นี่นะคืออุปทานมันเป็นธรรมลมนะจริงๆแล้วนี่ชีวิตเราเมื่อยเมื่อเราไม่เห็นมันเลยเพราะเราอยากไง ความอยากเรากบเกื่อนความเมื่อยมันก็สะสมความเมื่อยไว้แต่พอเรามายืนเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยนอนเฉยเฉยเนี่ยไอความเมื่อยมันก็จะแสดงตัวแต่มันไม่ใช่เมื่อยเพราะเรานั่งเฉยเฉยมันเมื่อยมันมีก่อนอยู่แล้วแต่เราไม่เคยสนใจตัวเองมันจะทําให้เราเห็นเราเห็นบ่อยๆแล้วเราก็จะเมตตาตัวเองสงสารตัวเองนะ ต่อไปเนีเราก็จะไม่ทำร้ายตัวเอง ง่วงมันง่วงเราก็รู้มันเมื่อยเราก็รู้มันเบื่อเราก็รู้สักแต่ว่ารู้จบอยู่แค่นั้นถ้าเราเผลอปุ๊บไปร่วงกันมันปุ๊บเนี่ยมันจะดึงเราเข้าไปกลายมาเป็นมัน อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นแน่นอนการว่ายทวนกระแสน้ำมันต้องใช้พลังมากกว่าการตามกระแสนะแต่ถ้าเรามักง่ายเราตามกระแส ปลาน้ำจือดออกทะเลก็ตายหมดเราก็ต้องทวนกระแสทวนกระแสะกิเลสพรากิเลสคือที่มาของตัณหาตัณหาคือที่มาของอุปทานอุปทานคือที่มาของทุกข์ ว่ารู้แล้วก็เหวี่ยงทิ้งนะเหวี่ยงทิ้งไม่ใช่เหวี่ยงอารมณ์นั้นทิ้งไม่ใช่ไปต่อสู้กับมันเหมือนเตือนเราว่าวางมันนั่นแหละเหวี่ยงความยึดมั่นถือมั่นที่เราจะไปหลงมันทิ้งเหวี่ยงความสนใจทิ้งนะเป็นตัวเตือนสตินะ ไม่มีการกระทําโดยการที่จะไปจับมันเฟี่ยงทิ้งอะไรเนี่ยนะพอบงางเวลาจิตเรามันเดินมันหมุนเร็วๆมากเนี่ยคำว่าวางเหมือนว่ามันช้าไปคล้ายๆความแรงมันไม่ถึงนะนะถ้าเราวางได้มันก็จบละชีวิตเราไม่ต้องมาปฏิบัติละก็สุดยอดแต่มันวางยังไม่ลงแล้วก็เหวี่ยงทิ้งไปเรื่อยๆนะ ฝนะึกให้จิตเราเวี่ยงไปเรื่อยๆคือวางวางวางวางเวียงไปเรื่อยๆ เ, เห็นแล้วก็เวียงเห็นแล้วก็เวียงไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินเพราะชีวิตเราพิจารณาตลอดนะวิจัยตลอดถ้านอนผ่อนคลายสงบนิ่งตั้งมัน่นระวังเฝ้ามองถ้าความสมุบไม่เกิดขึ้นสู้ความทุ้นซานไม่ได้ก็ให้เอาความรู้สึกทั้งหมด มาอยู่ที่อเรียบทยุบพองที่หน้าพองหายใจเข้าพองหายใจออกยุบไม่ต้องท่องบนสักแต่ว่าเห็นอาการพองยุบเมื่อสงบนิ่งแล้วก็ปล่อยวางอาเรียบทนั้นมาอยู่ที่ตั้งมั่นเฝ้ามองสมาธิตั้งมัน่น สงบนิง่งเป็นหนึ่งเดียวกับท่านอนสติตื่นรู้ระวังเฝ้ามองอริยบทนอนหรือท่านอนเนี่ยเป็นท่าที่ง่ายที่สุดกว่าทุกทุกท่านอกจากไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่มีการกระทาใดๆแล้วน้ําหนักตัวทั้งหมดเทลงไปที่พื้นไม่ต้องประคองตัว ท่าอื่นยังต้องประคองตัวนะกลัวมันล้มนะท่านี้เป็นท่าที่อิสระที่สุดง่ายที่สุดแต่กลายเป็นท่าที่ยากที่สุดเพราะความเคยชินของกิเลสเราเ้าจะคุ้นเคยว่าเป็นท่านอนหลับพักผ่อนนิวรนตัวง่วงเหงาหาวนอนมันจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่สำรวมระวังเนี่ยมันจะดึงให้เราไปนอนหลับ เป็นท่านนอนหลับนะเราก็ได้พักผ่อนก็ไม่มีอะไรเสียหายแต่เราก็พลาดโอกาสในการเจริญมัคจิตในการเห็นความจริงว่าในตัวเราเนี่ยมีอารมณ์อะไรซ่อนอยู่แค่เราหยุดทุกอย่างได้นะหยุดการกระทาทุกอย่างได้ น, ะนั่นแหละเราจะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงว่าในตัวเรามีอะไรซ่อนอยู่ เห็นก็สักแต่ว่าเห็นรู้ก็สักแต่ว่ารู้ไม่พิจารณาไม่ตัดสินรู้เฉยๆแต่ถ้าท่านใดสู้ความฟุ้งซ่านไม่ได้นะเพราะมันคิดไม่เลิกไม่แล้วจริงๆแล้วไม่ต้องไปสู้กับเขานะปล่อยเขาคิดแต่บังเอิญว่ายังไงเราก็สู้ไม่ได้เรา กิเลสเราก็ชอบคิดอยู่แล้วนะเออถ้าใครมีสภาวะอย่างนี้ก็ต้องหาที่เกาะก่อนเหมือนปลามันทวนกระแสน้ำก็จริงอยู่ว่าไหน น, น้ำป่ามันมาแรงแงมากๆกําลังที่มันฝึกทวนกระแสมันทวนไม่ได้มันก็ต้องหาที่หลบซ่อนก่อนไปอยู่ใต้โคนไม้ใต้โขดหินจิตเราก็เหมือนกันเหมือนเราเป็นจิตเป็นเด็กๆเนี่ย เรายังพึ่งพาตัวเองไม่ได้เราก็ต้องเกาะคุณพ่อคุณแม่ก่อนเห็นหแต่ถ้าเราเกาะนานๆไม่ยอมปล่อยเลยเราก็ไม่มีวันโตไม่มีวันพึ่งตนเองได้เวลานี้จิตเรามันยังไม่มีกำลังนะนะพอความวุ่นวายฟุ้งซ่านมันมากกว่าเราก็หาที่เกาะโดยเอาความรู้สึกเราเนี่ยตามลมหายใจเข้าไปลึกๆไปถึงหน้าท้องเราเนี่ย มันก็พองแล้วก็สัมผัสอริยบทพองที่หน้าท้องนะแล้วก็กั้นลมหายใจไว้หน่อยหนึ่งเมื่อจะขาดใจแล้วก็ปล่อยออกมาช้าช้าที่สุดเลยเอาความรู้สึกเราตามลมหายใจออกมาเราก็สัมผัสว่าหน้าท้องเรามันยุบไม่ต้องท่องบนไม่ต้องสร้างคาบริกรรมเราเห็นความจริงว่าอาริยบท ของท้องเรามันพองแล้วก็มันยุบมันเป็นอธิยบทของท้องไม่เราไม่ตั้งทำบริกรรมเพราะเราย่งเราไม่ได้ฝึกสติฝึกสมาธิเพียงแต่ว่าเรากํลาลังเดินทางระหว่างทางเราเจออุปสรรคเรา ก, ก็หาที่เกาะก่อนเมื่อสงบนิ่งดีแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเกาะมาอยู่ที่ตั้งมั่นสงบนิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับท่านอนสติตื่นรู้ ระวังเฝ้ามองมองเฉยๆมองกว้างๆมองแบบธรรมชาติไม่ต้องจ้องมองไม่ต้องเพ่งดูไม่ต้องกำหน ด, ดความคิดและอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้น สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินรู้เฉยๆก่อนจะหยุดหายใจเข้าลึกๆเอาความรู้สึกเราตามลมหายใจเข้าไปกดลมหายใจไว้ก่อนเมื่อจะขาดใจค่อยปล่อยลมหายใจออกมาช้าๆ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 10บนาทีนะแล้วก็มาเซสชันต่อไปจิตในจิตนะเรามาสร้างแรงเหวี่ยงเข้าไปในจิตในจิตนะเป็นโปรแกรมอินไซอาลนะนิโปรแกรมตอนนี้พักเข้าห้องน้ำา1บนาทีก็นั่งห่างๆกันนะครับแล้วก็ไม่นั่งไม่ต้องนั่งติดข้างฝามากนะอยู่ในลัศมี เออนะพนสองมือเรานะทุกอย่างไม่ประมาทนะก็เมื่อเมื่อเราเตรียมพร้อมแล้วเราก็โล่งใจสบายใจไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะแล้วก็จะได้ทำได้เต็มที่นะโปรแกรมนี้ก็ เรียกว่าจิตในจิตหรือว่าอินไซนเอาเราจะเข้าไปในเว็บไซต์เรานะแล้วก็เอาภูมิปัญญาเก่าของเราเนี่ยเอามาใช้กับปัจจุบันนะแต่ท่านที่มาใหม่ๆนี่ต้องสร้างแรงเวียงก่อนนะได้ยินเสียงที่หูมารู้ที่ใจเป็นรูปกลมๆเหมือนรูปฟุตบอลร่างกายก็โยกไหวไปด้วยนะ เ, เหมือนตอนเช้าเราฝึกสั้นๆตอนนี้แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น faster faster faster นะคือสร้างกําลังให้มันเหมือนเฮลิคอปเตอร์เราหมุนใ บ, บเนี่ยหมุนเบาๆมันห่อไม่ได้นะนะถ้าเราเร่งสปีดมันเนี่ยแรงเวี่ยงมากกว่าแรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันจะห่อได้มันจะเอาก้อนเหล็กเป็นพันกิโลเนี่ยขึ้นไปได้จิตเราเหมือนกันเมื่อแรงเบี่ยงมันเต็มที่แล้วมันจะอิสระจากแรงดึงดูดของความคิดแล้วก็อารมณ์อยากที่ใจนะจิตใจใจมันดึงจิตเราไว้ นะทีนี้ไอ้ใจเรามันเต้นได้ก็อาศัยพลังจิตก็คือเรียกว่ามโนวิญญาณวิญญาณวิญญาณหกเนี่ยมันเป็นกําลังของจิตมันเกาะอยู่ที่ใจทําให้หัวใจเต้นทีนี้จิตก็ถูกมันดึงไว้มาพอชีวิตเราเนี่ยเวลาเรานอนหลับเนี่ยทุกส่วนหยุดทํางานสิ่งที่หยุดทํางานไม่ได้คือหัวใจเต้นถ้าหัวใจเราไม่เต้นเนี่ยเราเร า, เราก็ไม่มีชีวิตนะมันเป็นสิ่งเดียวที่มันเต้นมันมีพลังมันก็ดึงจิตเราไว้ จิตก็เลยไปเกาะอยู่ที่ใจถูกหัวใจสั่งการตลอดตอนนี้เราจะปลดปล่อยให้จิตเราเนี่ยหลุดออกมาจากเป็นทาตของใจเข้าไปสู่จิตในจิตต้องสร้างแรงเบี่ยงให้กับจิตนะนี่คือสร้างลมปานพอมันเบี่ยงแล้วเนี่ยผลประโยชน์ที่เราจะได้ก็คือว่ามันจะเกิดลมปานขึ้นในตัวเรานะเลือดก็ปั๊มเร็วขึ้นเมือม่อจิตมันออกมาวิ่งแล้วนี่หัวใจมันมันก็เบามันก็ปั๊มเลือด แรงขึ้นอัมาพาต27ปีนะเพราะคูมาอเมริกาใหม่ๆเนี่ยอดีตเป็นตำรวจเนี่ยขี่มอไซค์หัวฟาดพื้น27ปีเดินไม่ได้เนี่ยฟื้นเพราะมันหมุนแล้วเลือดมมันวิ่งเนี่ยนะแต่ต้องต้อ ง, ต, องต้องอย่าถึงขั้นเส้นโลหิตไว้ถ้ามันมันขาดเนี่ยนะก้างมื้อเส้นเอ็นมันจะแข็งแรงขึ้นแต่ตรงนี้เราจะเหวียงให้มันต่อไม่ได้นะไอการควบคุมตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันเส้นโลหิต มันตีบเฉยเรือนี่นอันนั้นมันฟื้นได้หมดนะคนเป็นโรคหัวใจที่คิดว่าขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วทางคุณหมอว่าให้ออกกำลังกายได้ยังไงมันจะหัวใจวายนะแต่ถ้าเราทำด้วยสมองนั้นอย่าไปทำนะแต่ถ้าจิตทำนี่อย่าไปกลัวนะจิตเขามีวิธีรักษาของเขานะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราต้องปลดปล่อยจิตเราให้ได้ก่อนเรามีหน้าที่ช่วยปลดปล่อยให้จิตเราอิสระ โดยเอาเสียงมามาเป็นตัวล่อได้ยินเสียงที่หูเราก็วิ่งมาทีหูหัวใจเต้นปุ๊บมันก็รู้ที่ใจธรรมชาติมันจะดึงไปรู้ที่ใจอยู่แล้วก่อนจะเกิดเวทนาเราวิ่งหนีอีกมันก็ดึงกันไปดึงกันมาดึงกันไปดึงกันมาเหมือนเราหมุนลูกขคางต้องใช้สองนิ้วปุ๊บมันก็หมุนพอหมุนปุ๊บมันก็นิ่งเห็นไหมเราไม่ได้ทํามันนิ่งนะเมื่อมันเหวี่ยงแรงขึ้นแรงแรงขึ้นมันก็อิสระจากแรงดึงดูดของความคิดกับ อารมณ์อยากที่ใจมันจะเข้าไปสูดลูกข่างพอมันหมุนเต็มที่มันก็หลุดออกไปเห็นไหมมันอิสระใช่ไหมอันนี้เหมือนกันเราใช้แรงดึงระหว่างสองส่วนระหว่างหูกับใจนะนี่คอนเซ็ปมันมีอยู่แค่นี้และทุกคนเนี่ยทุ่มเทเข้าไปร้อเซตคืนชีวิตเราให้กับจิตไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะเข้าไปในจิตในจิตได้โอเคไหมแก้วมาเปิดลูกก็ หลักการมันมีอยู่แค่นี้นะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะมันยากคือกิเลสมันไม่ยอมมันจะสร้างความกลัวความลังเลสงสัยนะความกังวลทำให้จิตเราว้าวุ่นนะจะไปมันก็ดึงกลับมาเหมือนเหมือนดึงเชือกชักกเยอะนะแต่ถ้าเราเทมไปหมดเลยเนี่ยจิตมีพลังแค่หนึ่งวินาทีแรงเวี่ยงมากกว่าความคิด